พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยเล่มที่8พระวินัยปิฎกปริวานพระวินัยปิฎกปริวาน ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 1. ภิกขพิขุวิพังโซแลสะสมหาวาระตอนหนึ่ ง, งกัทะปัญญติวาระวาระว่าด้วยบัญญัติณที่ไหนหนึ่งปราชิกกันคำถามคำตอบสถานที่บัญญัติเป็นต้นในปราชิกกัน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 เอกโตบัญญัติอุปโตบัญญัติอยู่หรือบรรดาปติโมขุเทศหอุเทศปราชิกศิขาบทที่หนึ่งนั้นจะเข้าในอุเทศไหนนับเนื่องในอุเทศไหนมาสู่อุเทศโดยอุเทศไหนบรรดาวิบัสสีอย่างเป็นวิบัติอย่างไหนบรรดากองอาบัติเกองเป็นกองอาบัติไหนบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัติหสมุทฐาน เกิดด้วยสมุทฐานเท่าไรบรรดาอธิกรสี่อย่างเป็นอธิกรอย่างไหนบรรดาสมถฏฐเจ็อย่างระงรับด้วยสมถะเท่าไรในปราชิกสิกขาบทที่หนึ่งนั้นอะไรเป็นพระวินยัยอะไรเป็นอภิวินยัยอะไรเป็นพระปฏิโมอะไรเป็นอธิปฏิโมอะไรเป็นวิบัติอะไรเป็นสมบัติอะไรเป็นข้อปฏิบัติ พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติปราจิกสิกขาบทที่หนึ่งโดยทรงอาศัยอำนาจประโยชน์เท่าไรใครศึกษาอยู่ใครศึกษาสิกขาเรียบร้อยแล้วสิกขาบทนี้ตั้งอยู่ในใครใครทรงเอาไว้เป็นถ้อยคำของใครใครนำมา ปราชิสิกขาบทที่หนึ่งถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปราชิกสิกขาบทที่หนึ่งณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงเวสาลีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพระสุทินกลันทบุตรถามเพราะเรื่องอะไรตอบ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 ประเทศบัญญัติอยู่หรือตอบมีสพัพพถบัญญัติถามมีสาธารณะบัญญัติอาศัทรณะบัญญัติอยู่หรือตอบมีสาธารณะบัญญัติถามมีเอกโตบัญญัติอุปโตบัญญัติอยู่หรือตอบมีอุปโตบัญญัติถามบรรดาปติโมขุเทศห้าอุเทศประชิกศิขาบทที่หนึ่งนั้น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 เป็นกองอาบัตไหนตอบเป็นกองอาบัตปาราชิกถามบรรดาสมุธฐานแห่งอาบัตหกสมุธฐานเกิดด้วยสมุธฐานเท่าไรตอบเกิดด้วยสมุธฐานหนึ่งสมุธฐานคือเกิดทางกายกับจิตมิใช่เกิดทางวาจาถามบรรดาอาธิกรสี่อย่างเป็นอธิกรอย่างไหนตอบเป็นอาปตาธิกร ถามบรรดาสมถะเจ็ดอย่างระ ง, งับด้วยสมถะเท่าไรตอบระ ง, งับด้วยสมถะสองอย่างคือหนึ่งสามุคขาวินยัย 2. ปฏิญญาตะกรณะถามในป ร, ราชิกสิกขาบทที่หนึ่งนั้นอะไรเป็นพระวินยัยอะไรเป็นอภิวินยัยตอบพระบัญญัติเป็นพระวินยัยการจำแนกเป็นอภิวินยัยถาม ในปราจิกศิษยาบทที่หนึ่งนั้นอะไรเป็นพระปาติโมะอะไรเป็นอธิปาติโมะตอบพระบัญญัติเป็นพระปฏติโมะ ก, การจำแนกเป็นอธิปาติโมะถามอะไรเป็นวิบัติตอบความไม่สัมรวมเป็นวิบัติถามอะไรเป็นสมบัติตอบความสัมรวมเป็นสมบัติถามอะไรเป็นข้อปฏิบัติตอบ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 ถามสิกขาบทนี้ตั้งอยู่ในใครตอบตั้งอยู่ในสิกขาการมบุคคลบุคคลผู้ใครศึกษาถามใครทรงเอาไว้ตอบพระเทราทั้งหลายผู้ทรงจำปราชิกสิกขาบทที่หนึ่งได้ทรงเอาไว้ถามเป็นถ้อยคำของใครตอบเป็นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถามใครนำมา พระเทระทั้งหลายนำเสืบสืบกันมารายนามพระเทระผู้ทรงจำพระวินัยเสบกันมาพระเทระเหล่านี้คือพระอุบาลีพระทาสกะพระโสนกะพระศสกขวะ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 สอนนึกาย5และปกรณ์เจากนั้นพระอริ tha ผู้มีปัญญาพระติสะทัตตาบัณฑิตพระกาลสุมาณะผู้เชี่ยวชาญพระธีฆาเทระและพระธีฆาสุมาณะบัณฑิตต่อมาพระกาลสุมาณะพระนาคเทระพระพุทธรักขิตาพระติสะเทระผู้มีปัญญาและพระเทวเทระผู้เป็นบัณฑิต ต่อมาพระสุวรรณะผู้มีปัญญาและเชี่ยวชาญในพระวินยัยพระจุลานาคะเป็นพู้หูสูดดุดช่างทรัพย์มันพระธรรมปาลิตะเป็นผู้อันสาธุชนในโรหณชนบทพากันบูชาเป็นอย่างดีศิษย์ของพระธรรมปาลิตะนั้นมีปัญญามากชื่อว่าเขมะทรงจำพระไตรปิฎกได้รุ่งเรืองอยู่ในเกาะด้วยปัญญาเหมือนดวงจันทร์รุ่งเรืองอยู่ พระอุปติสสะผู้มีปัญญาพระปุษตะเทวะผู้เป็นมหาธรรมกถึกต่อมาพระสุมนณะผู้มีปัญญาพระมหาปทุมะเป็นพระหูสูตรพระมหาศีวะผู้เป็นมหาธรรมกถึกฉลาดในพระปิดกทั้งหมดต่อมาพระอุบาลีผู้มีปัญญาเชี่ยวจาาในพระวินัยพระมหานาคะผู้มีปัญญามากฉลาดในวงพระสัทธรรม ต่อมาพระอภยะผู้มีปัญญาฉลาดในพระปิฎกทั้งหมดพระติสเถระผู้มีปัญญาเชี่ยวชาญในพระวินัยพระสุมาณะมีปัญญามากผู้เป็นศิษย์ของพระติสเถระนั้นเป็นพระหูสูตรรักษาพระศาสนาต่อกันมาอยู่ในชมพูทวีปพระจุลาพยะผู้มีปัญญาและเชี่ยวชาญในพระวินัยพระติสเถระผู้มีปัญญาฉลาดในวงพระสัตธรรม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 ราจิกสิกขาบทที่สามถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติราชิกสิกขาบทที่สามณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงเวสาลีถามทรงปรารคใครตอบทรงปรารคภิกษุหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปฆ่ากันละกัน ในปราชิกสิกขาบทที่สนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติไม่มีอนุปปณะบัญญัติถามบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัติหสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานเท่าไหร่ตอบเกิดด้วยสมุทฐานสสมุทฐานคือ 1. เกิดทางกายกับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจา 2. เกิดทางวาจากับจิตไม่ใช่เกิดทางกาย สเกิดทางกายวาจากับจิตปราชิกสิกขาบทที่สถามพระผู้มีพระภาคอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปราชิกสิกขาบทที่สี่ณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงเวสาลีถามทรงปรารลใครตอบทรงปรารลบผู้พิกษุชาวฝั่งแม่ น, น้ำวัคคุมุธา ถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ผู้พิษุชาวฝั่งแม่น้ำวัคคมุธากล่าวอดุดอุตริมนุสธรรมของกันละกันแก่ผู้ขรหัสในปราชิกสิกขาบทที่ส 4, นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติไม่มีอนุปันะบัญญัติถามบรรดาสมุฐานแห่งอาบัตห6สมุธฐานเกิดด้วยสมุธฐานเท่าไรตอบเกิดด้วยสมุธฐานสามสมุธฐาน คือหนเกิดทางกายกับจิตมิ่ช่เกิดทางวาจา 2. เกิดทางวาจากับจิตไม่จะเกิดทางกาย 3. เกิดทางกายวาจากับจิตประชิกสี่สิกขาบทจบรวมสิกขาบทที่มีในประชิกกันประชิกสิกขาบทที่หนึ่งว่าด้วยการเสดเมถุนธรรม ประชิกศิกขาบทที่สองว่าด้วยการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ประชิกศิกขาบทที่สว่าด้วยการพรากายมนุษย์ประชิกศิกขาบทที่สว่าด้วยการกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมประชิกสี่ศิกขาบทเหล่านี้เป็นมูลแห่งการตัดขาดขาจากความเป็นภิกษุอย่างไม่ต้องสงสัย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 มีพระบัญญัติพระอนุบัญญัติอนุปันธบัญญัติสัพพัทธบัญญัติปเทสบัญญัติสาธารณะบัญญัติอาสาธารณะบัญญัติเอกโตบัญญัติอุปโตบัญญัติอยู่หรือบรรดาปฏิโมขุเทศห้าอุเทศสุกวิสัตถิสิขาบทนั้นจัดเข้าในอุเทศไหนนับหนึ่งในอุเทศไหนมาสู่อุเทศโดยอุเทศไหน บรรดาวิปัสสีอย่างเป็นวิปัสส์อย่างไหนบรรดากองอาบัตเจกองเป็นกองอาบัตไหนบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทรฐานเท่าไรบรรดาอธิกรณสี่อย่างเป็นอธิกรอย่างไหนบรรดาสมถฏฐาเจ็ดอย่างระงับด้วยสมถฏาเท่าไรในสุกาวิสัตถิสกขาบทที่หนึ่งนั้นอะไรเป็นพระวินยัยอะไรเป็นอภิวินยัยอะไรเป็นพระปาฏิโมก อะไรเป็นอธิปาติโม่อะไรเป็นวิบัติอะไรเป็นสมบัติอะไรเป็นข้อปฏิบัติพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสังฆาทิเศษแก่ภิกษุผู้พยายามทำน้ำอุสุจิให้เคลื่อนโดยทรงอาศัยอำนาจประโยชน์เท่าไรใครศึกษาอยู่ใครศึกษาศึกขาบทเรียบร้อยแล้วศึกขาบทนี้ตั้งอยู่ในใครใครทรงเอาไว้เป็นถ้อยคาของใครใครนามา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 ตอบเพราะเรื่ฤทธิท่านพระเสยสกะพยายามใช้มือทําน้ําอสุจิให้เคลื่อนถามในสุกาวิสัตถิสิกขาบทนั้นมีพระบัญญัติพระอนุบัญญัติอนุปปณะบัญญัติอยู่หรือตอบในสุกาวิสัตถิสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติไม่มีอนุปปณะบัญญัติถามมีสัพพัทธบัญญัติปเทสบัญญัติอยู่หรือตอบ มีสัพพัทบัญญัติถามมีสาธรนะบัญญัติอาสาธรนะบัญญัติอยู่หรือตอบมีอสาธรนะบัญญัติถามมีเอกโตบัญญัติอุปโตบัญญัติอยู่หรือตอบมีเอกโตบัญญัติถามบรรดาปติโมขุเทศห้าอุเทศสุกวิสัตธิสขาบทนั้นจัดเข้าในอุเทศไหนนับเนื่องในอุเทศไหนตอบ จะเข้าในนิทานุเทศนับเนื่งในนิทานุเทศถามมาสู่อุเทศโดยอุเทศไหนตอบมาสู่อุเทศโดยอุเทศที่สามถามบรรดาวิบัตสีอย่างเป็นวิบัตอย่างไหนตอบเป็นสีลวิบัตถามบรรดากองอาบัตเ7ดกองเป็นกองอาบัตไห น, นตอบเป็นกองอาบัตสังคาทิเศษถาม บรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานเท่าไรตอบเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานคือเกิดทางกายกับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจาถามบรรดาอธิกรณสี่อย่างเป็นอธิกรอย่างไหนตอบเป็นอาปตตาธิกรถามบรรดาสมถทฐเจอย่างระ ง, งับด้วยสมถทาเท่าไรตอบระ ง, งับด้วยสมถะนสองอย่าง คือ 1. ่สามุขาวิไนัย 2. ปฏิญญาตกรณะถามในสุกาวิสัตถิสขาบทนั้นอะไรเป็นพระวิไนอะไรเป็นอภิวิไยตอบพระบัญญตัตเป็นพระวิยัยการจำแนกเป็นอภิวิไนาถามในสุกาวิสัตถิสขาบทนั้นอะไรเป็นพระปฏิโมก Driver: อะไรเป็นอธิปฏิโมก damals? ตอบพระบัญญตัตเป็นพระปฏิโมก การจำแนกเป็นอธิปาติโมกข์ถามอะไรเป็นวิบัติตอบความไม่สํารวมเป็นวิบัติถามอะไรเป็นสมบัติตอบความสํารวมเป็นสมบัติถามอะไรเป็นข้อปฏิบัติตอบการที่พิกษุสมาทานอาปาณะโกติกะศีนตลอดชีวิตว่าเราจะไม่ทำกรรมอย่างนี้อีกแล้วศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเป็นข้อปฏิบัติ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 ถามใครทรงเอาไว้ตอบพระเทระทั้งหลายผู้ทรงจำสุกวิสติสึกษาบทที่หนึ่งได้ทรงเอาไว้ถามเป็นถ้อยคำของใครตอบเป็นพระดำรักของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถามใครนำมาตอบพระเทระทั้งหลายนำาสืบสืบกันมา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 พระสัมภะและพระพัฒบันดิตเดินทางจากชมพูทวีปมาที่เกาะสิงหนี้ท่านเหล่านั้นสอนพระวินัยปิโดที่เกาะตามมะพระปันนิสอนนิกายหและภกรเจจากนั้นพระอริ t h ผู้มีปัญญาพระติสัทตะบันดิตพระกาและสุมาณะผู้เชี่ยวชาญพระธีฆาเถระและพระธีฆาสุมาณะบันดิตต่อมาพระกาและสุมาณะ พระนาคเถระพระพุทธรักิตาพระติสเถระผู้มีปัญญาและพระเทวเถระผู้เป็นบัณฑิตต่อมาพระสุวรรณผู้มีปัญญาและเชี่ยวชาญในพระวินัยพระจูลนาคะเป็นพู้หูสูตดดูดช่างซับมันพระธรรมปาลิตะเป็นผู้อันสาตุชนในโรหณะชนบทพากันบูชาเป็นอย่างดีศิทของพระธรรมปาลิตะนั้น มีปัญญามากชื่อว่าเขมะทรงจําพระไตรปิฎกได้รุ่งเรืองอยู่ในเกาะด้วยปัญญาเหมือนดวงจันทร์รุ่งเรืองอยู่พระอุปติสสะผู้มีปัญญาพระพุสฏะเทวะผู้เป็นมหาธรรมกถึกต่อมาพระสุมรณะผู้มีปัญญาพระมหาปทุมะเป็นพระหูสูตรพระมหาศีวะผู้เป็นมหาธรรมกระเถิดเลาดในพระปิฎกทั้งหมด ต่อมาพระอุบาลีผู้มีปัญญาเชี่ยวชาญในพระวินัยพระมหานาคผู้มีปัญญามากฉลาดในวงพระสัตธรรมต่อมาพระอภยะผู้มีปัญญาฉลาดในพระปิดกทั้งหมดพระติสะเถระผู้มีปัญญาเชี่ยวชาญในพระวินัยพระสุมรณมีปัญญามากผู้เป็นศิษย์ของพระติสะเถระนั้นเป็นพระหูสูตรรักษาพระศาสนาต่อกันมาอยู่ในชุมภูทวีป พระจูฬพยะผู้มีปัญญาและเชี่ยวชาญในพระวินัยพระติสะเถระผู้มีปัญญาฉลาดในวงพระศาธรรมพระจูลเทวผู้มีปัญญาและเชี่ยวชาญในพระวินัยและพระศิวเถระผู้มีปัญญาฉลาดในพระวินัยทั้งหมดพระเถระผู้ประเสริฐมีปัญญามากเหล่านี้รู้พระวินัยฉลาดในมัคได้ประกาศพระวินัยปิฎกไว้ในเกาะตามะพระปันนิ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 เพราะเรื่องที่ท่านพระอุทายีถูกต้องกายกับมาตุคามในกายสังสารคสกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุธฐานแห่งอาบัตหกสมุธฐานเกิดด้วยสมุธฐานหนึ่งสมุธฐานคือเกิดทางกายกับจิตมิเชื่เกิดทางวาจา 3. ทุตุนละวาจาศึกขาบทถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น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 ในทุตุนลวาจาศึกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัติหสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐาน3สมุทฐานคือ 1. เกิดทางกายกับจิตมิเช่เกิดทางวาจา 2. เกิดทางวาจากับจิตมิเชื่เกิดทางกาย 3. เกิดทางกายวาจากับจิต 4. อัตตกามะปาริจริยาศึกขาบทถาม พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติสังฆาทิเศษแก่ภิกษุผู้กล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้ามาทุขามหน้าที่ไหนตอบทรงบัญญัติหน้ากรงสาวัตถีถามทรงปราบรบใครตอบทรงปรารบท่านพระอุทัยถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระอุทัย กล่าวสรรเสริญการบำเรอความใคร่ของตนต่อหน้ามาทุขามในอัตตากรรมะปริเจริยศสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแหน่งอาบัติ6สมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสมสมุทฐาน 5. สัญญาจริตตะสิกขาบทถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัสมพุทธเจา้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็น ทรงบัญญัติสังฆาทิเศษแก่ภิกษุผู้ทำหน้าที่ชักสื่อหน้าที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารพใครตอบทรงปรารพท่านพระอุทายีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระอุทายีทำหน้าที่ชักสื่อในสัญญาจริตะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติหนึ่งพระอนุบัญญัติ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 ถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกภิกษุชาวเมืองอรารวีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุชาวเมืองอรารวีสร้างกุฏิด้วยเครื่องอุปกรณ์ที่ขอมาเองในกุติการศึกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหสมุทฐาน 7. วิหารการศิกาบท ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติสังฆาทิเศษแก่ภิกษุผู้ให้สร้างวิหารใหญ่ณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงโคสัมพีถามทรงปรารภใครตอบทรงปรารภท่านพระช น, นะถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระช น, นะแผ่ทางพื้นที่ สร้างวิหารสรั่งให้ตัดไม้รุกขเจดีต้นหนึ่งในวิหารการศิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแ่งอาบัติ6สมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหสมุทฐาน 8. ปดปฐมมทุตะโทสสิกขาบทถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติสังฆาทิเศษแก่ภิกษุ ผู้ใส่ความภิกษุด้วยอาบัติปรารชิกไม่มีมูลณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงราชครือถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพระเมติยะและพระภูมิมัชกะถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พระเมติยะและพระภูมิมัชกะใส่ความแท่นพระทัพมันละบุตรด้วยอาบัติปาราชิกไม่มีมูล ในปฐมทุตตะโทสสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทรานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสมสมุทฐาน 9. ทุติยทุตตะโทสสิกขาบทถามพระผู้มีพระภาคปรหัถนสาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติสังฆาธิเศษแก่ภิกษุผู้อ้างเอาบางส่วนแห่งอธิกรเรื่องอื่น เป็นเล่ใส่ความภิกษุด้วยอาบัติปาราชิกไม่มีมูลหน้าที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรงราชคฤห์ถามทรงปรารลใครตอบทรงปรารลพระเมติยะและพระภูมิมัจฉกะถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พระเมติยะและพระภูมิมัจฉกะอ้างเอาบางส่วนแห่งอธิกรเรื่องอื่นเป็นเล่ใส่ความแทนพระทัพพระมรบุตร ด้วยอาบัติปารชิกไม่มีมูลในทุติยะทุตธะโทสึกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัติสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสมสมุทฐาน 10. สังคเพทศสสกขาบทถามพระผู้มีประภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติสังขาริเศษแก่ภิกษุผู้ทาสมงให้แตกกัน ไม่สละกรรมจนกระทั่งสงสวดสมนุภาพครบสามครั้งณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงราชคลึถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพระเทวทัตถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พระเทวทัตเพียรพยายามเพื่อทําลายสง์ผู้พร้อมเพลียงกันในสังคัฆเพทศขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติ บรรดาสมุทฐานแห่งอาบัต6สมุทฐานเกิดด้วยสมุตรฐานหนึ่งสมุตรฐานคือเกิดทางกายวาจากับจิต 11. สังคเพทานุวัตกะสิกาบทถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติสังฆาทิเศษแก่ภิกษุผู้ประพฤตตามกล่าวสนับสนุนภิกษุผู้ทำลายสง ไม่สละกรรมจนกระทั่งสงส่วสมนุภาพครบสามครั้งณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงราชครหกถามทรงปรารบใครตอบทรงปราบรบภิกษุหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปประพฤตตามสนับสนุนพระเทวทัตผู้พยายามทาลายสง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 ไม่สละกกรรมจนกระทั่งสงส่วนสมนุภาพครบสามครั้งณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงโกสัมพีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารพบท่านพระช น, นะถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระช น, นะอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนโดยชอบทมกลับทําตนให้เป็นคนที่ว่ากล่าวตักเตือนไม่ได้ ในทุปเจษสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุธฐานแห่งอาบัตห6สมุทฐานเกิดด้วยสมุธฐานหนึ่งสมุธฐานคือเกิดทางกายวาจากับจิต 13. ปุละทูส ก, กะสิกขาบทถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติสังฆาทิเศษแก่ภิกษุผู้ประทุษรายตระกูล ไม่สละกรรมจนกระทั่งสงส่วนสมนุภาพครบสามครั้งณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพระอัสชิและพระปุณพสุกะถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พระอัสชิและพระปุณพสุกะถูกสงลงปปาชียกรรมแล้วกลับกล่าวหาว่าผู้ภิกษุลำเอียงเพราะชอบ ลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะหลงลำเอียงเพราะกลัวในกุลธูสกะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุฐานแห่งอาบัตห6สมุธฐานเกิดด้วยสมุธฐานหนึ่งสมุฐานเกิดทางกายวาจากับจิตสังขาทิเศตสิบสามสิกขาบทจบรวมสิกขาบทที่มีในสังขาทิเศตการ หสุกาวิสัตติสิกขาบทว่าด้วยการจงใจทําน้ําอสุจิให้เคลื่อน 2. กายะสังสัก ข, ขสิกขาบทว่าด้วยการถูกต้องกายกับมาตุคาม 3. ทุตุลเลวาจาสิกขาบทว่าด้วยการพูดเกี่ยวมาตุคาม 4. อัตกามะปาริจริยะสิกขาบทว่าด้วยการให้บําเรอความใคร่ของตน 5. สัญญาจริตะสิกขาบทว่าด้วยการชักสื่อ 6. กุติการะสิกขาบทว่าด้วยการก่อสร้างกุดี 7. วิหารการะสิกขาบทว่าด้วยการก่อสร้างวิหาร 8. ปดฐมมทุตถโทสึกขาบทว่าด้วยภิกษุขัดเคืองมีโทสิกขาบทที่หนึ่ง 9. ทุติยทุตถโทสึกขาบท ว่าด้วยภิกษุขัดเคืองมีโทสะสิกขาบทที่สองสิ 10. สังฆเพทะสิกขาบทว่าด้วยการทำสงฆ์ให้แตกกัน 11. สังฆเพทานุวัตกะสิกขาบทว่าด้วยภิกษุประพฤติตามกล่าวสนับสนุนภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ 12. ทสอุปะจะสิกขาบทว่าด้วยภิกษุเป็นคนว่ายาก 13. ภละทูสกาศสิกาบทว่าด้วยภิกษุผู้ประทุษร้ายตระกูล